แต่มรณภาพเมื่อเช้านี่ผมพอได้ยินแล้วก็โ อ, อ้นี่แหละอเนจังทุกขังอนัตตาครูบาอาจารย์เลี้ยงลําดับลงมาเรื่อยๆบางองค์ก็รัดขั้นตอนบ้างรัดคิวอ่างั้นอ่ะไม่ไปตามคิวอคือมาตามคิวน่ะคืออายุอายุเท่าไหรก็เรียงกันมาแต่บางองค์อายุน้อยๆกับรัดคิวก่อนก็มี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 สู่ในทางที่ถูกต้องจะไปถอยทำคราวนี้ไม่ได้เอาคราวหน้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจอยู่มันต้องสำเร็จได้ได้สักวันหนึ่งข้างหน้ า, อาพอหลักธรรมคำสอนของ พ, พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วนี่ยอิทธิบาทคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์คือเครื่องที่จะทให้สำเร็จ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 สอบข้าวนี้ไม่ไม่ไม่ผ่านแต่ข้าวหน้ามองอเองทําไมข้าวที่แล้วมันมันอ่อนที่ตรงไหนเนี่ยมีเอาใจฝักไฟอยู่ตลอดนะแล้วก็วิมังษากานกรองไตรตรองเหตุและผลที่มันออกมาอย่างนี้ผลไม่ดีออกมาอย่างนี้เพราะอะไรเราขี้เกียจหรือว่าเราอ่านหนังสือน้อยไปเอหรือว่าเรามีอะไร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 ถึงจะเป็นใบใหญ่ใบเล็กใบขนาดไหนก็เถอะถึงคราวถึงครบครบรอบปีมันจะต้องหล่ น, ลนต้องหล่นใบเหลืองอลามอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เห็นไหมปัดกวาดจนไม่หวัดไม่ไหวแต่บางองค์ก็โมโหให้ใบไม้อีกต่างหากนะทำไมมันหล่นมาอะไรมากมมยนักหนาแท่ไม่ได้คิดว่านี่นะคือสังขารคือของไม่เที่ยงเกิดมาเท่าไหร่ก็ร่งร่งรยไปทุกใบนั่นนะ เหมือนกับมนุษย์ของเรามนุษย์ของเราก็เหมือนกันนะเกิดมาเกิดมาเถอะเกิดมาเท่าอะไรร่โรยไปเท่านั้นตายเท่านั้นไม่มีใครที่จะอยู่โชว์ฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่มีอเพราะนั้นใบไม้ก็เหมือนกันชีวิตของมนุษย์ชาติก็เหมือนกันถ้าเรานึกดูย้อนดูแล้วย้อนถอได้อะไรหลงตาหลงพ่อได้อะไ ร, ไะไรคือเราได้เห็นอเนจังคือของไม่เที่ยง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 ออถึงจะเรียนไปมากขนาดไหนเถอะมันก็นอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตา น, นั่นแหละไม่เหนือนอกเหนือจากนี้เ อ, อถึงจะเรียนรู้ขนาดไหนก็รู้ไปเถอะอยู่ในกรอบของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละพอท่านรู้ต้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปออกไปจากใจทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานันท่านรู้ต้นนี้เท่านั้นนะเออท่านั้นเลยเหมือนกับเครือเขาเทาวันเครือเขาตัวนี้นะ่ะ